ตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยพร้อมกันนบับนปนมมัมพุบธธัน นิวาโตจะสันตุถีจะกตันยุตากาเลนะธรรมัทสวนังเอตัมมังคลมุตตมันตีนะบัดนี้อาตมภาพจากได้อัถาธิบายขยายความในพระพุทธภาษิตอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กรับแก่เทพบุตรซึ่งได้รับบัญชา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 และนำไปเผยแพร่ธรรมปฏิบัตินี้สืบต่อไปตามพระบาลีที่ได้แสดงไว้ข้างต้นนี้มีคำแปลว่าความเคารพหนึ่งความถ่มตัวหนึ่งความสันโดษหนึ่งความกระตัญยูหนึ่งการฟังธรรมตามการหนึ่งนี้เป็นมงคลอันปรสริฐซึ่งวันนี้อาตมาพาดจักได้แสดงแต่เฉพาะมงคล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 รู้จักคุณค่าของพระสัตยธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอันพระสงฆ์ก็เจ้าได้ประพฤติปฏิบัติได้รับผลดีแล้วนำมาสั่งสอนถ่ายทอดให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามตามรอยบาทพระพุทธองค์เพื่อความพ้นทุกข์และเพื่อความสุขดังนี้พึงล้ำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ดังกล่าวนั้นและพึง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 พึงตั้งใจรับฟังธรรมะและนำธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัยและตั้งใจที่จะกตัญยูกระตะเวทีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท่านผู้ทรงบำเพ็ญพระองค์เสมือนหนึ่งพระแม่ของปวงชนชาวไทย ทรงอนาธนห่วงใหญ่ในพระศุนิกรอยู่เสมอได้ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์สเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรเพื่อทรงทราบสารทุกสุขดิบแล้วทรงหาทางช่วยเหลือเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ยากของประชาชนทั้งหลายโดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพระวรกายลำบากพระวรกายเพียงใดก็สเสด็จ หวังแต่จะให้พระศกนิกรของพระองค์เป็นสุขปราศจากความทุกข์โดยทั่วนหน้ามีการส่งเสริมศิลปาชีพเป็นต้นอาตมาภาพจึงใคร่ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านได้ตั้งกูโลจิตลำลึ ก, ล, กลึกถึงคุณประสีรัตนารตรและพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นพระแม่ของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ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 ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและขอจงทรงปราศจากความทุกข์ความโกุกและโรคภัยทั้งปวงยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่พระศกนิกกรชาวไทยและชาวต่างประเทศผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในพระองค์ด้วยทุกท่านตลอดสิ้นกาลนานที่ได้ชี้แจงแสดงมา ตามวาระพระบาลีในมงคลสูตรว่ากตัญยูกะตะเวทิตาและกาเลนะธรรมะสวังเอตัมมังคารมุตตมังนั้นสมควรแก่เวลาเทสนาปริโยสาเนอวสารการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้เอเตนะสัจวเชนะด้วยอำนาจแห่งคำสัต โดยอ้างธรรมปฏิบัติที่อัตมภาพได้ชี้แจงแสดงมาในมงคลสูตรนี้สะทาโสถีพระวันตุเตขอความสุขสวัส ด, ดีจงบังเกิดมีแกท่านทั้งหลายบรรดาที่มาประชุมสโมโสรรับฟังอยู่นี้โดยทั่วหน้ากันเทินเอวังก็มีด้วยประการะชนี นัตถิชานังอปัญญัตว์นัตถิปัญญาอชายโตชาญย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีชาญ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 พระผู้เป็นพ่อของปวงชนชาวไทยทั่วลาในวันที่ห้าธันวาของทุกปีส่วนราชการจังหวัด ร, ราชบุรีและพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกับวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามจะจัดให้มีการดูทุดงควัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ บำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาจึงขอกราบราธนาพระภิกษุสงฆ์สามเณรทั่วสังคมณฑลและพระศนิกรชาวไทยทั่วลาแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีปตัญญูกตะเวทิตาธรรมแด่พระผู้เป็นพ่อของชาติไทย